มาจากที่ไหนกันมาจากที่ไหนที่เคยมาบ<ะ>้างไหมเคยครับเม่ไงถึงมานะฟั ง, ม, งมัฟังในยทูับ ค, ครับอาจารย์นะครับก็เลย้แ้การมาครับ ม, มีอะไรจะถามไหมไม่มีคพรพพับจะมาฟัง อ, อยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ก็ฟังได้ฟังย้อนหลังก็ได้มีมีเก็บไว้ไหนคลิปอยาดูย้อนหลังได้หรือไปในเว็บไซต์ก็มีให้ฟังให้อ่านมีแต่สาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังไม่มีผู้ถาม ไม่สงสัยไม่อยากจะรู้อะไรนะ mm. บ้างบางทีก็มไม่รู้จะพูดอะไรพูดแล้วเดี๋ยวกลัวไม่ถูกใจผู้ฟังเหมือนทํากับข้าวมันต้องอาหารตามสั่งทั้งยะอร่อย mm. ถ่ายไปที่ร้านแล้วก็ทําให้เรากินบางทีเราก็กินไม่ลงแต่ดีอยู่อย่างอาหารของพระพุทธเจ้านี้อร่อย ว่าลดแห่งธรรมชนะรดทั้งปวงฟังธรรมธรรมะไหนก็ได้ฟังแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาการฟังธรรมก็มีอ น, นุสงอยู่ห้าประการหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้ว ถ้าได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้สี่จะทาให้มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงเช่นเห็นว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงอันนี้ถ้าฟังไป เ, เรื่อยๆก็จะ จะเห็นตามที่พระเจ้าทรงสอนแล้วก็จะเกิดความสุขใจความสงบเวลาฟังธรรมใจเราถ้าตั้งใจฟังก็จะไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆก็จะคอยฟังเสียงธรรมคอยพิจารณาธรรมไปใจก็จะเย็นจะสบายคนบางคนที่ยังนั่งสมาธิไม่เป็น ยังนั่งไม่ได้นั่งแล้วใจฟุง้งก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนฟังธรรมไปเรื่อยๆแล้วใจก็มีมีเครื่องดึงดูดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอรัางใจฟังพิจารณาตามธรรมที่ได้ยินได้ฟังก็จะไม่ไปคิดถึงสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆใจก็จะสงบ แต่ยังไม่สงบเต็มเต็มร้อยสงบในระดับแรกคือจากการฟุงร้งซ่านจากการคิดเรื่อยเปื่อยมาเป็นจิต ท, ที่ไม่คิดอะไรคิดน้อยนี่คือประโยชน์5ประการที่จะเกิดจากการฟังเทศฟังธรรม การฟังธรรมถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจคือยังไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาตามได้แต่ยังตั้งใจฟังอยู่ฟังฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการนั่งสมาธิเหมือนกับการดูเหมือนกับการดูลมหายใจเข้าออกแทนที่จะดูลมก็ดูเสียงฟังเสียงธรรมไป มันก็จะทำให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ถึงแม้จะไม่เข้าใจทำที่กำลังแสดงอยู่เพราะปัญญาผู้ฟังยังอาจจะมีน้อยยังไม่เข้าใจความหมายต่างๆของคำพูดฟังงี้ยังต้องเอาไปคิดไปขบอยู่ถึงจะเข้าใจในภายหลังการฟังธรรมจริงบางทีฟังหนเดียวมันยังไม่เข้าใจ ต้องฟังหลายหลหนเหมือนเวลาใครเขาบอกทางเราเนี่ยบอกให้ไปที่นน้นที่นี่บางทีเขาพูดปัป๊บปัป๊บ ป, ป๊เราฟังงงเขาหมายถึงอะไรไต้องถามว่าไหนพูดใหม่ซิบางทีเขาคนพูดเขาเข้าใจแต่คนฟังฟังไม่เข้าใจคนพูดรู้จักทางแล้วก็พูดง่ายเห็ตรงนน้นเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลี้ยวขวา คนฟังตรงนู้นอยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่ตรงไห น, น, ไหนไมันไม่ละเอียดพอฟังก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจเราก็ฟังไปเรื่อยๆอาศัยเสียงธรรมที่เราฟังไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฟังไปอย่าหยุดฟังอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าฟังไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความเห็นที่ถูกต้องก็จะได้ความสงบ ใจอย่างน้อยก็ไม่พุ่งซ้างใจก็จะเย็นจะสบายเช่นเห็นว่าตายไปแล้วไม่สูญนี่เพราะผู้ที่ผู้ที่ไม่ไม่ตายไปกับร่างกายมีอยู่นอกจากร่างกายแล้วเรามีใจใจนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นร่างกายแต่มาอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนฝาแฝด เป็นแฝดสยามมาติดกันอยู่ไปไหนไปด้วยกันแล้วก็ใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆทำบุญทำบาบุญก็คือทำอะไรที่ทำให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นเขาเรียกว่าบุญบาปก็คือการกระทาที่ทำให้ผู้อื่นเขาเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนอันนี้ก็บาป เวลาทำบุญใจก็สบายมีความสุขเวลาทำบาปใจก็ร้อนใจก็ไม่สบายนี่แหละใจร้อนใจเย็นนี่คือก็คือความความทุกข์ใจความสุขใจความสุขใจก็สวรรค์ความทุกข์ใจก็นรกคาว่าสวรรค์นรกนี้ไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกับกรุงเทพ เป็นเป็นสภาพของใจที่เกิดขึ้นจากการทําบาปหรือทําบุญพอทําบุญขึ้นมาใจก็เย็นสบายมีความสุขก็เรียกว่าขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเวลาทําบาปใจร้อนใจวุ่นวายใจทุกข์ก็ตกนรกทั้งเป็นอย่างนรกไม่ได้เป็นที่เป็นสภาพจิตใจ เกิดจากการทําบุญหรือทําบาปวเวลาไม่มีร่างกายใจก็จะอยู่กับความสุขหรือความทุกข์นี้ไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาสร้างความสุขความทุกข์กันใหม่ด้วยการทําบุญด้วยการทําบาปใหม่นี่คือสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังคือเรื่องของใจ ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรื่องของใจผู้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆทำบุญทำบาปแต่ผู้ที่รับผลบุญผลบาปไม่ใช่ร่างกายร่างกายตายไปผลบุญผลบาป ก, ก็ยังอยู่ติดอยู่กับใจขณะที่ทำก็เกิดผลขึ้นมาแล้วเวลาทําบาปใจเราก็ทุกข์กันละ เวลาทําบุญใจแล้วก็สุกันนะแล้วบุญกระ บ, บาศ ท, ที่เราทํานี่มันจะสะสมเหมือนกับเอาเงินไปฝากธนาคารเนะี่ยทําบุญวันนี้บาทสิบบาทเดี๋ยวพวกนี้ทําอีกสิบบาทนะมันก็เพิ่มเป็นยี่สิบเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะเรายังไม่ได้ใช้ใช้บุญที่เราทําหมดอาจจะใช้ไปนิดเดียวตอนทํำก็เกิดความสุขใจ เดี๋ยวเราไปทำเรื่องอื่นความสุขใจนี้ก็หยุดไปหายไป mm hmm. เช่นทำบุญเสร็จ mm hmm. เดี๋ยวไปขับรถเนี mm ่ยเราก็ไปขับรน mm hmm. บนท้องถนนเดี๋ยวก็ไปบนบนทางว่รถติดคนขับรถห่วย mm hmm. แสงค้ายแสงขวา mm hmm. ความสุขใจที่เกิดจากการทำบุญมันก็หยุดไปชั่วคราว mm hmm. พอเราผลิต ความรู้สึกใหม่ขึ้นมาข้าไปโกรธเขาไปดา่าเขาก็เกิดบาปขึ้นมาเกิดความร้อนใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาขณะที่เราเป็นมนุษย์นี่เราทำวันละหลายหลายรอบหลายๆอย่างเดี๋ยวก็บุญเดี๋ยวก็บาปแล้วแต่เหตุการณ์พาไปมันก็สะสมไปเรื่อยเหมือนกัเอาเท่าบัญชี บัญชีบุญบัญชีบาปมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆ เ, เพราะเราใช้น้อยมีแต่มีแต่หากันมีแต่หาบุญหาบาปกันส่วนใหญ่มักจะหาบาปมากกว่าหาบุญบุญนี้บางคนปีนึ่งทำสักสองสามผลทำวันเกิดวันปีใหม่วันเทศกาลต่างๆนอกจากนั้นเราไม่ทำํำจะทำแต่บาปจะมากกว่า โกหก ก, หกันโกงกันหลอกลวงกันฆ่ากันฆ่ายุงฆ่ามดฆ่ า, มาแมลงจะทำบาป ก, กันมากกว่าทำบุญแล้วพอเวลาร่างกายนี้ตายไปก็ไม่สามารถทำบุญทำบาปต่อไปได้ไม่มีเครื่องมือไม่มีผู้ที่จะไปทำตามคำสั่งคือร่างกายไม่มี ตอนนั้นเลยไม่สามารถสร้างบุญสร้างบาปได้ตอนนั้นก็เลยเป็นเวลาที่ใช้บุญใช้บาปกันถ้ามีบุญมากก็ไปใช้บุญกันไปไปมีความสุขกับบุญที่เราได้สร้างไว้ถ้าบุญมีน้อยบาปไม่มากกว่าก็ไปใช้บาปกัน ก, ก็ทำให้ใจร้อนใจทุกข์ใจหิวใจโหยถ้าหิวโหวยก็เป็นเปรตถ้าหวาดกลัวก็เป็ น, นผีถ้ารุมร้อนก็ตกนรกก็เป็นนร ก, เ ป, นนกเป็นไฟนรกถ้าไม่ถ้าหลงก็ไปเป็นเดร า, านาน ไปเป็นสัตว์ต่างๆเนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของการไปรับผลบุญผลบาปที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมถ้าเราไม่มาฟังธรรมนี่จะไม่มีใครสอนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผลของบุญผลของบาปว่ามีจริงเพราะไม่มีใครรู้กันไม่มีใครสามารถมองเห็นใจ ผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปได้นอกจากผู้ที่ปฏิบัติทำผู้ที่นั่งสมาธิฝึกจิตถ้าผู้ฝึกจิตแล้วจะมีดวงตาเห็นจิ ต, ด ว, ตดวงตาทิพ์เรียกว่าตาทิพเห็นร่างทิพ์ใจนี้คือร่างทิพ์กายทิพตเวลาไม่มีร่างกายก็เหลือแต่ร่างทิพ์ร่างทิพ์นี้ก็จะเป็น ถ้าเป็นบุญก็จะทำให้เป็นสวยงามเป็นร่างของเทวดาถ้าเป็นบาปก็จะทำให้หน้าเกลียดหน้ากลัวเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นมารเป็นนรกท่านยังบอกว่ากรรมเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์โลกเป็นอะไรไปเป็นอะไรต่างๆกันไปกรรมเป็นเครื่องจําแนกแยกสัตว์ให้เป็นเทวดาให้เป็นมนุษย์ ให้เป็นเปตให้เป็นเดรัจฉานให้เป็นสัตว์นรกให้เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรรมก็คือการกระทํานี่ผู้ที่เป็นก็คือใจกายทิพย์กายทิพย์นี้จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตั้งแต่ขณะที่มีกายอยากตอนนี้ร่างกาย ร่างกายเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราอาจจะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็ได้อาจจะเป็นเทวดาแล้วก็ได้อาจจะเป็นเ ป, นเปนเรตแล้วก็ได้อาจจะเป็นเดชะนก็ได้อยู่ที่บุญที่บาปเราทำกันถ้าเราไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่มนุษย์คือจุดศูนย์ศูนย์จากบุญจากบาป ไม่มีบุญไม่มีบาปก็จะเป็นมนุษย์ถ้ามีบาปก็จะเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานคนที่คนที่ฆ่าสัตว์คนที่ลักทรัพย์นี่เปรียบเหมือนเดรัจฉานไหมเดรัจฉานมันก็ต้องฆ่าเพื่ออยู่เหมือนต้องก่มเไว้เพื่ออยู่เพื่อกินเพื่ออยู่ หมาเราทิ้งกับข้าววางไว้เดี๋ยวมันก็ค้าวไปกินนะมันไม่มาขออนุญาตก่อนนะขอขอขอขอเนื้อชิ้นนี้ได้ไหมพอเผลอวางไว้มันก็คิดว่าให้มันแล้วแหละเป็นของมันนะมันหิวมันก็ข้าบไปเลยนคนที่ไปหยิบของคนอื่นโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเขาก็เป็นหมาไปแล้วเป็นเดรัจฉานไปล้ว คนที่ฆ่าก็เป็นสัตว์นรกไปพวกฆ่าพวกขโมยก็เป็นพวกเปรตพวกเดรัจฉานประพืติผิดประเวนีก็พวกเดรัจฉานเดรัจฉานมันไม่มีคู่ครองใช่ไหมมันไม่มีสามีภรรยามันไม่รักผัวเดียวเมียเดียวมันมีได้หลายคนมันอยากจะชอบอยากจะนอนกับใครมนะันก็ มันก็นอนได้มันก็นอนเลยถ้าเป็นมนุษย์ก็จะไม่ทำสิ่งเหล่านี้มนุษย์จะไม่ทำบาปถ้าทำบาปร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วใจเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้ทำบาปด้วยความหลงก็เป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรต ทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นผีทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเกรี้ยดแค้นโกรธเกลียดก็เป็นสัตว์นรกไปร่างกายอาจจะเป็นมนุษย์แต่ใจนี้อาจจะเป็นเป็นเดราชานไปแล้วเป็นเปรตไปแล้เป็นนรกไปแล้วเราถึงบางทีต้องจับพวกนี้ ที่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานไปขังไว้ในกรงเพราะถ้าปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่านเดี๋ยวมันก็ไปกัดไปกินคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยถึงบอกว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจไม่ได้เป็นมนุษย์นะเขาถึงต้องทํากรงไว้เพราะใจเป็นเดรัจฉานเป็นเสือสิงกระทิงลาดไปแล้วถ้าปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่านเดี๋ยวมันก็ไปทำร้ายผู้อื่น ส่วนพวกที่ไม่ทำบาปเขาก็ถือว่าเป็นมนุษย์เขาก็ไม่จับขังไว้ในกรงให้ไปไหนมาไหนได้แล้วแล้วถ้าไปทำบุญเขาก็จะให้เป็นเ ท, เทวดาไปยกย่องสรรเสริญคนทำความดีเขาก็จะให้รางวัลเขาจะให้ใบประกาศเกียรติคุณให้รางวัลต่างๆ ให้เครื่องราบอิสรยาพรให้ตำแหน่งต่างๆอันนี้ก็กิดเรื่องของใจที่เป็นเทวดาไปแล้วเทวดาเป็นผู้ให้เทวดาไม่เป็นผู้รับมีแต่ให้เพราะให้ด้วยความเมตตาแล้วถ้ามานั่งสมาธิทาใจให้สงบได้ก็ไปเป็นพร สูงกว่าเทวดามีความสุขมากกว่าเทวดาพรมนี้มีความสุขมากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนอกจากพระพุทธเจ้าพระสาวพระอริยาสาวกเท่านั้นที่มีความสุขระดับพรมแต่เป็นความสุขที่ถาวรความสุขของพรมนี้เป็นความสุขชั่วคราวหมดได้เสื่อมได้เหมือน เหมือนเทวดาหมดได้เสืมได้เหมือนเงินที่เราใช้แล้วก็หมดได้ตอนมาเป็นมนุษย์นี่เราก็หาเงินกันทำบุญกันพอได้บุญก็ไปเป็นเทวดากันพอนั่งสมาธิก็ไปเป็นพรหมกันแล้วพอไปเป็นพรหมก็ใช้บุญที่เราได้มาไปพอบุญที่ได้ทำให้เราเป็นพรหมหมดลงก็ลงมาเป็นเทพพอบุญที่ ทำให้เราเป็นเทพหมดลงก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ไปพวกเราตอนที่มาเกิดกันเนี่ยตอนที่ออกจากท้องแม่ใหม่ๆนี้เป็นมนุษย์กันเหมือนกันหมดเลยเพราะม น, นยังทําบุญไม่ได้ทําบาปไม่ได้เราจากท้องแม่ทําอะไรได้มีแต่ร้องมีแต่ขอน ม, มขอกินอย่างเดียวตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรแต่พอเริ่มโตขึ้นพอทําอะไรได้แล้วทีนี้ก็ไปแล้ว ไปตามสันดานของตนถ้าชอบฆ่ามดฆ่าแมลงเดี๋ยวก็ฆ่าล่ะถ้าชอบรักขโมยก็รักขโมยถ้าชอบโกหกก็จะโกหกไปเอโตขึ้นก็ทําไปเรื่อยๆพวกที่ชอบทําบุญก็ไปทําบุญพวกที่ชอบนั่งสมาธิก็ไม่นั่งสมาธิตามสันดานเดิม ที่เคยทํามาในชาติก่อนๆมันยังติดอยู่ในใจอยู่สันดานนิสัยยังติดอยู่แต่บุญที่สันดานนิสัยสร้างขึ้นมันหมดไปห บ, บาปที่สันดานนิสัยสร้างขึ้นมันหมดไปพอกลับมาเกิด น, นิสัยสันดานมันก็จะให้ทําเหมือนเดิมเคยเคยทำบุญก็กลับมาทําบุญเคยทําบาป ก, ก็กลับมาทําบาป นี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการไปรับผลบุญผลบาปของใจไม่ใช่ของร่างกายร่างกายนี้ไปตายแล้วก็ไปวัดไปเตาเผาไปเมนไปเขาพัสุเมนไปแปลงให้กลายเป็นดินเลยเอาินเข้าไปเตาเี๋ยวตัง เดี๋ออกมาก็กลายเป็นดินไปกลายเป็นขี้เท่าไนี่พิสูจน์แล้วว่าร่างกายก็คือดินน้ำลมไฟน้ำก็ถูกไฟเผาละเหยไปหมดไฟก็หายไปไฟก็เย็นพอทิ้งไว้สักพักไฟดับมันก็เยน็นน้ำก็หายไปลมก็หายไปเหลือแต่ดินอย่างเดียวร่างกายนี้ก็ เป็นดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้มีตัวตนอยู่ในร่างกายเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งตุ๊กตามีตัวตนไหมไอตัวที่ทำให้ตุ๊กตาพูดนี่มันไม่ใช่ตุ๊กตาเองไอตัวที่ทำให้ร่างกายพูดนี่มันไม่ใช่ตัวร่างกายพูดเองใจนี่แหละเป็นคนสอนให้หัดพูดเนี่ย เวลาเกิดมาใหม่ๆท้างทำอะไรก่อนหัดพูดก่อนในชะ่ไหมหัดฟังเสียงก่อนฟังว่าเสียงนี้เป็นยังไงแล้วก็หัดหัดพูดหัดใช้เสียงนั้นผู้ที่พูดผู้ที่ให้ร่างกายผู้นี้ไม่ใช่ร่างกายคือใจผู้ที่เรียนรู้เสียงคือใจเรียนรู้ภาษาคือใจแล้วก็มาใช้ให้ร่างกายพูดตามที่ได้เรียนมา นี่คือใจที่มาครอบครองร่างกายเวลาที่พ่อแม่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาใจก็มามาจองไว ม, มาส่งกระแสจิตมาเกาะติดติดทันทวารทั้งห้าติดทานตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าวิญญาณวิญญาณมาเกาะจิตมาเกาะร่างกาย โสตวิญญาณจากักขวิญญาณจักขุก็ตาโสตก็หูพอมาติดมาเชื่อมกันก็นกเหมือนโทรศัพท์สองเครื่องติดต่อกันได้แล้วส่งข้อมูลให้กันได้แล้วจะแชร์ภาพก็แชร์ได้มีบลูทูธเชื่อมกันแล้วทีนี้ก็มีข้อความมีอะไรก็ถ่ายจากเครื่องนี้ไปเครื่องหนึ่งได้ ใจก็มาเชื่อมกับร่างกายแล้วก็มารับข้อมูลที่ร่างกายรับมาทางตาหูจมูกลิ้นกายตาเห็นรูปก็ส่งไปให้ที่ใจส่งภาพมาให้ดูนะภาพคนนั้นภาพคนนี้ชอบไม่ชอบชอบก็กดไลค์ชอบก็สั่งให้ไปหามาอีกสั่งเอามาเก็บไว้เยอะๆถ้าชอบอันไหนก็ให้ไปหามาเอามาเยอะๆ ถ้าไม่ชอบวันไหนก็ให้เขี่ยทิ้งไปให้โยนทิ้งไปใจเป็นคนสั่งร่างกายเป็นคนสง่งอรูปเสียงกลิ่นรสไปให้ใจพอใจดูแล้วถ้าชอบก็บอกฮะออันนี้เก็บเอาไว้นะภาพรูปเสียงกลิ่นรสชนิดนี้เก็บเอาไว้ถ้าไม่ชอบรูปเสียงกลิ่นนั้นโยนทิ้งไปอย่าไปเอาม า, าแล้วถ้าสั่งแล้วไม่ได้ดังใจก็โกรธ สั่งให้ไปซื้อมาแล้วมันไม่มีขายก็โกรธหรือว่าได้มาแล้วอยากจะให้มันหายไปมันไม่ไปก็โกรธอีกเนี่ยใจก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมากับรูปเสียงกลิ่นรสที่ตนเองไปสัมผัสรับรูบร้ไปรักไปชอบไปเกลียดไปกลัวทั้งทั้งที่ของพวกนี้มันไม่ได้ทาอะไรกับใจทำอะไรกับใจไม่ได้ มันทําได้ก็แค่ร่างกายเท่านั้นเองเช่นรูปที่ไม่ดีคือคนคนร้ายโจรผู้ร้ายมันก็อย่างมากก็ฆ่าร่างกายทนั้นเองแต่มันไปไม่ถึงใจมันไปมันไปที่ใจไม่ได้ใจปลอดภัยตลอดเวลาแต่ใจโง้อใจไม่รู้ว่าปลอดภัยใจกลับไปหวาดกลัวกับอะไรต่างๆร้อยแปดพันประการ พอใจไปคิดว่าอยู่ที่ร่างกายพออะไรมาแตะร่างกายก็คิดว่าแตะใจพอกายเอามีดมาทิ่มแทงใจร่างกายก็คิดว่าทิ่มแทงใจแต่ใจไม่ได้ไม่ได้ถูกแทงตัวที่ถูกแทงก็คือร่างกายแต่ใจไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็เลยทุกไปกับร่างกายกลัวไปกับร่างกาย ทั้งๆ ท, ที่ตัวเองไม่โดนไม่โดนแทงไม่โดนอะไรเท่าไ mm hmm. หร่โดยเวลาได้รับรางวัลมาก็ใจก็ไม่ได้รับเองก็ร่างกายเป็นผู้รับ mm hmm. แต่ใจก็ไปดีใจกับการรับรางวัลของร่างกายคิดว่าตัวเองได้รับรางวัล mm hmm. ตัวเองไม่ได้ไม่เสียอะไรกับร่างกาย mm hmm. ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาผ่านทางร่างกายนี้เป็นของร่างกาย พอร่างกายนี้ตายไปก็เป็นของคนอื่นไปไม่ได้เป็นของใจใจเอาอะไรไปไม่ได้เลยเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วสามีก็ไปไม่ได้บุตรธิดาภรรยาก็าไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เอาไปไม่ได้เอาไปได้ก็บุญกับบาสนั่นแหละที่เราสะสมกันไว้พอร่างกายตายปั๊บก็ไปใช้บุญใช้บาปเลย ตอนที่มีร่างกายอยู่ก็มีแต่มัวหาแต่มัวแต่หาบุญหาบาป ก, กันมแต่ส่วนใหญ่จะทำบุญทาบาปกมัมากกว่าทำบุญนะลกถึงมีประชากรมากกว่าสวรรค์เข้าใจหรือยังเรื่องของบุญของบาปเรื่องของใจที่เป็นสัตว์ต่างๆ ตามบุญตามบาปที่ตนเองทำไว้แล้วก็ไม่เข็ดไม่จำไม่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องกลับมาเป็นร่างกายอย่างเดิมก็ทำเหมือนเดิมเลยเคยชอบทำอะไรก็ทำเหมือนเดิ ม, มเคยกินเคยดื่มเคยอะไรเหมือนเดิมก็อยู่ที่โชคและอยู่ที่จังหวะว่ามีโอกาสได้กินได้ดื่มมากหรือน้อย ถ้ามาเกิดเป็นลูกคนรวยก็กินมากดื่มมากได้ถ้าไปเป็นลูกคนจนก็กินมากรือมมากไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะให้กินไม่มีอะไรจะให้ดื่มก็ต้องขวนขวายหากันไปพวกที่ไม่มีก็หาพวกมีก็หาพวกมีก็ใช้เหมัอนพวกไม่มีก็หามาเพื่อจะได้ใช้เหมันก็ทําทำอย่างนี้ไปตายไปก็กลับมาทำอย่างนี้ ตายไปก็ไปใช้บุญใช้บาปก่อนพอบุญกับบาหมดพลังหมดกำลังก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ตอนที่มาเป็นมนุษย์นี้กำลังไม่ยังไม่ได้ยังไม่มีบาปยังไม่มีบุญเรือบุญกับบาปมันเท่ากันบุญเก่าบากเก่ามันเท่ากันจะเดินไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้จะเดินไปนรกก็ไปไม่ได้ อะไรมาเป็นมนุษย์กันการเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ๆก็เป็นมนุษย์เพราะยังไม่ได้ทําบาทยังไม่ได้ทําบุญอพอโตขึ้นก็เริ่มทําบาลเริ่มทําบุญกันก็กลายเป็น เ, เทวดาบ้างกลายเป็นเปรตบ้างกลายเป็นเดรัจฉานบ้างตามบุญตามบาปที่ทํากันอยู่ทุกวันนี้แต่ก็จะเป็นแบบชั่วคราว วันนี้ประคองเอาข้าวเขากินก็ก็เป็นเดรัจฉานไปแล้วพรุ่งนี้ไปนอนกับคนอื่นนอนกับสามีภรรยาของคนอื่นก็ไปเป็นเดรัจฉานแล้วพวงเที่ยวบา้าเที่ยวผักเนี่ยตอนคืนก็ไปเป็นเดรัจฉานกันทั้งนั้นไงพวกเที่ยวกลางคืนเนี่ยไม่มีไม่มีคู่ของตนก็เลยไปหา เหมือนบเหมือนกับเดรัชานหาหาคู่เห็นเดือนเก้าไมมสุนัขเดือนเก้าเนี่ยมันวิ่งหาคู่กันช่วงนั้นมันมันเกิดการอารมณ์อยู่เฉยๆไม่เป็นสุขต้องวิ่งหาคู่กันบางทีตัวเมียตัวเดียวตัวผู้สีห้าตัวไล่กัดกันทั้งคืนบางทีพระนอนไม่หลับ กัดกันในวัน น, ะนั่นแล ะ, ละคือพวกที่พวกที่ไม่มีศีลคาประพฤติผิดไปณี่บาทีเขามีศีลเขาเป็นเขาก็เป็นมนุษย์ต่อเขาก็นอนหลับกับแฟนเขากับสามีภรรยาเข้าไปเขามีรักเดียวใจเดียว อันนี้ก็เป็นมนุษย์นะแล้วถ้ามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแบ่งคนอื่นไปแจกให้คนอื่นไปทำบุญใส่บาตรให้ขอทานช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนอะไรไปก็ไปเป็นเทวดากัน้ามมาวัดนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดนั่งสมาธิก็มาเป็นพรหมกัน พวกนี้เป็นพรหมก็มีสัญลักษณ์สีขาวอตอนนี้กำลังจะเป็นพรหมกันแต่ไม่จะเป็นนะสักกี่วันสามวันห้าวันเดี๋ยวก่ากลับไปเป็นเทวดาต่อหรือดีไม่ดีก็กลับไปเป็นมนุษย์ต่อหรือถ้าเร็วกว่านั้นก็อาจจะไปเป็นเดชานานต่อเราเป็นคนทาตัวเรานะให้เป็นอะไรต่าง ถ้าไม่ทำบาปเลยรักษาศีลห้าได้ไม่ทำบุญเลยก็เป็นมนุษย์ถ้าไม่ทำบาปแล้วทำบุญด้วยก็เป็นเทวดาถ้าถือศีลแปดนั่งสมาธิก็ไปเป็นพรหมถ้าบวชแล้วไม่ศึกตัดความอยากตัดความโลภ ก, กดหลงได้หมดก็ไปเป็นพระอริยะเจ้าไปเป็นพระอรหันต์ไปเป็นพะรนปปนพะพุทธเจ้าผู้ตัดกิเลสได้หมดก็เป็นพระอริยะเจ้า พรนี้ยังไม่ได้ตัดเพลงแต่กดเอาไว้ห้ามเอาไว้เนี่ยถือศีลแปดก็ห้ามไว้อแต่วันดีก็ดีนึกสึกขึ้นมาก็ก็ไม่ได้เป็นพรมพอเลิกถือศีลแปดก็ไม่ได้เป็นพรมลกลายไปเป็นเทวดาก็ไม่ถือศีลห้าแล้วถ้าไม่ถือศีลห้าก็ไปเป็นเบลชานไปเป็นเปรตต่อเนี่ยเรื่องของกฎแห่งกรรมการกระทําของเรา ทำบุญทำบาปทำตามความโลภทำตามความอยากหรือไม่ทำตามความโลภทำตามความอยากมันจะส่งผลให้จิตใจเราเป็นอะไรกันต่างๆไปมีสุขมีทุกข์มากน้อยต่างกันไปถ้าไม่ทำบาปก็ทุกข์น้อยถ้าทำบุญก็สุขมาก ถ้าตัดกิเลสได้ตัดความโลภ ก, กดลงได้ตัดความอยากได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปผู้ที่ดึงใจให้กลับมาเกิดมามีร่างกายก็เพราะความอยากยังอยากดูอยากฟังอยู่ยังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นยังอยากสัมผัสทางทา ง, ทางสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายก็ต้องมีร่างกาย ถ้าตัดความอยากเหล่า น, นี้ได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายตัดความอยากกามาตัณหาได้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็จะไม่มีตัวที่จะมาดึงใจให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ต้องมีร่างกายแต่ถ้ายังตัดภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่ได้ก็ยังต้องไปเป็นพรมก่อนพรมนี้ยังมีความอยากอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็น พอตัดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้อยากมีอยากเป็นได้ก็เป็นพระอาหารหันต์ไปเป็นพระพุทธเจ้าไปไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้ตายไม่ได้สูญหายการไม่ได้เกิดไม่ได้หมายความว่าตายพวกเราเวลาตายไปก็ยังไม่ได้กลับมาเกิดทันทีตอนนั้นใจก็ยังอยู่อยู่สวรรค์หรืออยู่นรกอยู่อบายแล้วแต่บุญแล้วแต่บาปที่ทําไว้ แลเดี๋ยวพอมุญกระบาบหมดกําลังก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เพราะยังมีความอยากมาเสพลูกเสียงกลิ่นรสอยู่แต่มาเกิดมามีใครสอนให้ไปเสพรูปเสียงกลนะาากิ่นรสไหมมีแต่อยากกันทั้งนั้นอยากดูอยากฟังอยากกินนู่นอยากกินนี่อยากดื่มนั่นอยากดื่มนี่กันตลอดเวลาข่าววันนี้ไม่ต้องสอนกันต้องต้องคอยห้ามกันเพราะมันจะกลายเป็นตุ่กันเทน่สมัยนี่มันมีกินกันเยอะ ไม่ได้กินเพื่อร่างกายมันกินเพื่อความอยากถ้ากินเพื่อร่างกายร่างกายมันเป็นตรงกินมื้อเดียวก็อยู่ได้กินตั้งสามสี่มื้อสี่ห้ามื้อมื้อห้าหกมื้อก็ไปด้วยกินทั้งวันพอเครียดก็กินพอเครียดก็กินพอทุกข์หน่อยก็กินดับทุกข์กันทาการกินเป็นวิธีดับทุกข์กัน มันก็เลยกลายเป็นตุ่มนะทำไมเราเป็นเด็กๆนี่ค น, นมมนนคนเป็นตุ่มนี่มีน้อยเป็นของแปลกถ้าเจอคนเป็นตุ่มนี่ของแปลกแต่นี้นรู้สึกจะเป็นของธรรมด า, ามองไปไหนมันมีทูกใจโอ้โหกา ร, รกินมันนีอะ สมัไม่เด็กๆ ม, ม, ม, มันไม่มีมันไม่มีโรงงานผลิตขนมนมเนอยอะไรต่งตางๆหากินหาของกินยากเมื่อก่อนไม่ค่อยมีเบเกอรี่อาจารยไม่ค่อยมีเอรี่ไม่มีอะไรต่งตางๆส่วนใหญ่ต้องไปซื้อของสดที่ตลาดมาทำกินกันเองอ ขนมสวน่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมแบบธรรมชาติมากกว่าทําจากกล้วยกล้วยทอดกล้วยปิ้งอะไรทํานองนี้ <c oughs> นี่ เ, เ, เลยพวกผลมมไม้มา <c oughs> ของดองมายมดองมามุ้งดองอะไร <c oughs> ของกินสมัยก่อนจะเป็นของแบบทำมาจากธรรมชาติเดี๋ยวนี้หาะ ก, กินยากนะคะวาจาย <c oughs> ี่เนยขนมนมเลยเออ ร้านกาแฟใช่ของพวกนี้มันผลิตแบบบริบริเวมามากได้ไงทําทีมากๆได้มันถึงคุ้มกับการเปิดโรงงานเปิดแล้วก็ผลิตแล้วสามารถบรรจุซองบรรจุห่อเก็บไว้ได้นานคนกินก็สะดวกหิวเมื่อไหร่ก็กินได้อยากกินเมื่อไหร่ก็กินได้ทันทีเก็บไว้ได้ทุกที่ทุกแห่งเก็บไว้ในห้องนอนห้องน้ําำ <laughs> อบางคนกินไปถ่ายไปก็มีอืมอสุภะก็ใช้ไม่ได้ผลเลยค่ไม่รู้จักอสุภะเลยไม่รู้จักอาหารเลยปฏิตูและสัญญาเลยไม่รู้ว่าอุจจาระมาจากไหนอร่อย ที่ท่านกำลังกินอุจจาระกันเนี่ยไม่มีปัญญาเป็นเหมือนเดราชานกินตามอยู่กับความอยากจะไม่คนที่ใช้ความใช้ความอยากเป็นตัวนํำนี่มันจะไม่เพิ่มคิดอะไรอ่ะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาจากไหนรู้ทิ้งแต่ว่าอยากกินก็หอให้มีกินก็แล้วกันกินแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้เยสมัยเนี้ยโลกเยอะแยะก็มาจากเรื่องกินเท่านั้นแหละ โรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆโรคติดปารธะส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารการกินที่เรากินกันเพอาหารแต่ละชนิดที่เขาผลิตขึ้นมามันก็ใส่สารเจือปนทั้งนั้นสารถนอมอาหารสารสารใส่สีเข้าไปสีเทียมสีลดเทียมเนี่ยของพวกนี้มัน่วนเป็นสารก่อมะเร็งทั้งนั้นกินเข้าไปมากๆร่างกายก็ขับออกไม่ได้ มันก็เลยทำให้เป็นมะเร็งกันตายเพราะปากมันตายเพราะความอยากอันนี้เป็นเพราะว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาถูกอำนายของความโลภความอยากครอบงำจิตใจพออยากก็หาเลย อยากได้อะไรอยากกินอะไรก็หามากิ น, ก, นกินแล้วเดี๋ยวก็อยากอีกก็หกชีวิตก็เกิดมาเพื่อกินเพื่อหาทำอะไรตามความอยากไปแท่นี้แล้วเดี๋ยวก็พอแก่เจ็บตายก็ทุกข์กักกนแล้วพอตายไปก็ไปไปใช่บุญใช่บาปกันเสร็จแล้ว พอบุญไม่มีกําลังดึงไหวบาปไม่มีกําลังดึงไหวความอยากก็ดึงให้กลับมาเกิดใหม่ความอยากก็ดึงให้กลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่เพื่อมาทําตามความอยากใหม่ที่จะทําดีหรือไม่ดีส่วนหนึ่งก็อยู่ที่คนที่เรามาอยู่ด้วยครอบครัวที่เรามาอยู่ด้วยครอบครัวก็จะขึ้นอยู่กับศาสนาถ้าเป็นครอบครัวมีศาสนาเขาก็จะสอนให้ทําบุญไม่ให้ทำบา ถ้าทำตามศาสนาสอนก็จะได้นับบุญจะไม่ได้ทำบาปแล้วถ้าเจอศาสนาที่สอนให้ตัดความอยากได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดศาสนาที่สอนให้ตัดความอยากีมีศาสนาเดียวในโลกนี้คือศาสนาพุทธศาสนาอื่นไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าอะไรทำมาให้เกิดมาให้เวียนว่ายตายเกิดกัน ลองไปศึกษาดูไม่มีศาสนาใลสอนให้ตัดความอยากกันมีแต่สอนให้ทำบุญไม่ทำบาปให้เชื่อพระเจ้าเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมาเจอพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะได้ ถึงจะได้ยินคำสอนที่ให้เรามาตัดความอยากกันตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดตัดความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นกันตัดสามตัวนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายวิธีที่จะตัดก็ต้องออกบวชถ้าไม่บวชมันก็อยู่กับความอยากพวกที่ไม่บวชก็อยู่วันวันวนก็ทำอะไรกันเขาก็ทำตามความอยากกัน อยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันเขาไม่มีเวลามานั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธเชา้าตื่นขึ้นมาก็ว่าออกจากบ้านไปแล้วไปหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองพอได้เงินได้ทองมาก็เอาไปใช้ตามความอยากต่างๆมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาหยุดความอยากถ้าอยากจะหยุดความอยากก็ต้องไปบวชอยากจะบวชก็ต้องเห็นว่า ต่อไปร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องกลัวความแก่ความเจ็บความตายถึงจะไปบวชกันถ้าไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่บวชบวชไปทำไมบวชไปแล้วไม่ได้ทำอะไรคนถึงไม่อยากจะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกันพอคิดแล้วเนี่ยมันทำให้ทุกข์กันแล้วมันก็จะไม่มีความสุขจากการหาความทาตามความอยากกัน เรารู้ว่าต่อไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายมันจะทําไม่ได้ตอนนั้นจะทํำยังไงบางคนก็ฆ่าตัวตายซึมเศร้าใช่ไหมโรคซึมเศร้าก็เกิดเป็นผลที่เกิดจากการไม่สามารถทําตามความอยากต่างๆได้ไม่สามารถได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้ก็เศรา้าอยากได้แฟนก็ไม่ได้แฟนแฟนตายไปแก่แล้วจะหาแฟนใหม่ก็หาไม่ได้ ไม่มีใครก็จะมาเป็นแฟนเราอยู่คนเดียวกลงเหงาก็ซึมเศร้าไม่อยู่ดีกว่าตายดีกว่าข้าตัวตายดีกว่าเนี่การฆ่าตัวตายก็เพราะว่าอยู่แล้วไม่มีความสุขเพราะไม่สามารถทําตามความอยากได้บางคนไม่ได้แก่แล้วเพียงแต่หมดเนื้อหมดตัวก็ฆ่าตัวตายแล้วไม่มีเงินใช้แล้วจำรู้จะอยู่ไปทาไมหาเงินก็หาไม่เป็นเนื้อหา หาหาหาใหม่ก็หาได้ยากกว่าจะหาได้เหมือนสมัยที่มีเงินเนยอะมันมันไม่ใช่ง่ายๆพอล้มละลายพอสิ้นเนื้อประดาตัวก็มันก็จะคิดสั้นกันนอกจากคนที่มีสติก็อ่ะเริ่มต้นใหม่คิดว่าเกิดใหม่ก็แล้วกันกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ อดทนหนเ๋ยวห้าปีสิบปีเดี๋ยวจะรวยขึ้นมาใหม่ได้แต่ก็ไปเจอความแก่ เ, เดี้ยเจอความเจ็บก็ต้องทุกข์อีกอยู่ดีถ้าเรานึกถึงความแก่ความเจ็บความตายบ่อยๆเนียต่อไปเราอาจจะไปบวชกันได้แต่เราไม่เคยนึกถึงกันเลยนะวันๆหนึนน่งเคยนึกไหมว่าพระเจ้าสอนบอกว่าให้นึกอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ย่อมมีการพัดพาาจากการเป็นธรรมดาล่วงพ้นกันไปไม่ได้ไม่เคยคิดกันเลยไม่รู้เลยว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่รู้ว่าจะต้องพัดพาาจากกันพออยู่วันดีึ้นดีต้องจากกันนี่โอ้ยทำใจไม่ได้เลย ไม่ได้เป็นวันเป็นไม่ใช่เป็นวันนะเป็นเดือนเป็นปีวันนี้ทําใจไม่ได้ซึมเศร้าไปเลยใครมีชีวิตชีวากลายเป็นเหมือนคนไม่มีชีวิตชีวาไปเลยแต่ถ้าเตือนใจอเรื่อยสอนใจเรื่อยมันก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์มันก็จะลดการพึ่งพาสิ่งต่างๆให้น้อยลงไป เราหันมาพึ่งสิ่งที่สามารถทำได้เวลาที่แก่เวลาที่เจ็บเวลาที่ตายก็คือมาอยู่วัดกันมาปฏิบัติธรรมกันมาทำใจให้สงบกันทำใจให้สงบก็มีความสุขได้แนะเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการมีแฟนความสุขจากการที่ได้ไปเที่ยวไปทำอะไรกันถ้าได้ความสุขจากความสงบแล้วก็ไม่เดือดร้อน เวลาแก่ก็ยังมีความสุขได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนบนเตียงในโรงพยาบาลก็ยังมีความสุขได้เวลาตายก็ยังมีความสุขได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าพยาพยามจะดึงพวกเราให้มากันให้มาหมาความสุขทางนี้กันความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากกันไม่ใช้ความอยากกันไม่ทำตามความอยากกัน แล้วเราจะไม่ซึมเศ้ารับรองได้ไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ไม่ว่าเราจะยากจนหรือร่ำรวยหรือไม่ไม่เป็นปัญหา<ม>เราสามารถมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของมหาเศรษฐีได้<ม>ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงในโลกนี้ความสุขของพระเจ้าแผ่นดินความสุขของปางหาเศรษฐีความสุขของ ดารานางงามหรืนายแบบนางแบบสู้ความสุขที่ได้จากความสงมบนี้ไม่ได้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมเป็นที่พึ่งของใจได้ไปตลอดความสุขอย่างอื่นพึ่งได้เป็นครั้งเป็นคราว เ, เป็นบางเวลาไม่แน่นอนวันดีคืนดีมันก็หมดไปได้ จากเราไปได้แต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะอยู่กับเราเป็นเรื่อยๆถ้าเรารู้จักสร้างมันขึ้นมาแล้วก็สามารถรักษามันได้สร้างมันขึ้นมาได้เพราะความสุขนี้ไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งสิ่งของไม่ต้องพึ่งเงินทองให้พึ่งเวลาให้มีเวลามานั่งสมาธิให้มีสติคอยกํากับใจคอยควบคุมใจให้หยุดคิดปรุงแต่ง แล้วใจก็จะสงบแล้วก็ให้ใช้ปัญญาเวลามันอยากก็ให้ปัญญาสอนว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะต่อไปเมื่อเวลาไม่สามารถทาตามความอยากได้จะเมเศร้าจะทุกข์จะอยากฆ่าตัวตายอย่าไปทำตามความอยากถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็หายไปหมดก็จะไม่มีอะไรมาดึงให้เราไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มไปอะไร พอไม่ได้ไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากจะไปอยู่เฉยๆสบายอยู่แล้วไปให้เหนื่อยทำไมอยู่เฉยๆดีกว่าไปแล้วเหนื่อยความสุขที่ได้ก็สู้ความสุขที่ได้จากการอยู่เฉยๆไม่ได้ไปทำไมอยู่เฉยๆดีกว่ามาหัดอยู่เฉยๆกันโดยการพุทโธพุทโธกันด้วยการถือศีลแปดกันศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่บเจ็ด เป็นลวกกั้นลัวกวกั้นความอยากความอยากยังไม่ได้ตายจากการถือศินแปดเพียงแต่ว่าเป็นลัวกกันไม่ให้ออกไปไปไม่ได้อยากไปนอนกับแฟนก็ไปไม่ได้อยากจะกินข้าวเย็นก็กินไม่ได้อยากไปดูหนังฟังเพลงร้องนําทําเพลงก็ไปไม่ได้ไปกินเลี้ยงไปงานเลี้ยงไปท่องเที่ยวก็ไปไม่ได้ให้อยู่เฉยเฉยให้พุโทโธพุโทโธไป ถ้าพุโทโธไปความอยากก็จะหยุดพอความอยากหยุดใจก็หยุดดิ้นตานที่ใจดิ้นนี่มันทรมานถ้าไม่รีบใช้พุโทโธเดี๋ยวทนไม่ไหวเดี๋ยวแหกคุกไปเดี๋ยวศีลเดี๋ยวศีลขาดนรักษาไม่ได้กี่วันก็ลาศีลแล้วขอกลับก่อนนะพอกลับบ้า น, นะบบานนะคิดถึงบ้านทั้งที่เวลาออกจากบ้านนี่เบื่อบ้านไม่อยากจะอยู่บ้าน พอมาอยู่วัดไม่กี่วันกลับไปคิดถึงบ้านใช่ไหมเห็น <laughs> บ้านเป็นสวสรรค์ไปใช่ะหมตอนตอนออกมานี่เหมือนเหมือนนรกพอมาอยู่วัดถึงจะเห็นว่าวัด น, นี้เป็นนรกมากกว่าบ้าน <laughs> กลับไปอยู่บ้านดีกว <laughs> ่าพอหยุดความอยากไม่ได้ถ้าหยุดคาวามอยากได้วัดนี้จะกลายเป็นสวรรค์ขึ้นมาเป็นที่สบายที่สุด แต่ถ้าหยุดความอยากไม่ได้วัดเนี่ยก็กลายเป็นนรกขึ้นมายอมกลับไปอยู่นรกที่มันน้อยกว่าไปอยู่บ้านที่เป็นนรกแต่มันไม่มันไม่หนักเท่ากับนรกที่เกิดเวลามาอยู่ที่วัดเนี่ยแต่ถ้าหยุดความอยากได้ใจหยุดดิ้นได้นะโอ้ใจจะเย็นจะสงบจะมีความสุขเราจะเห็นวัดนี้เป็นสวรรค์ขึ้นมาทันทีเป็นที่เหมาะกับคนที่ต้องการทาใจให้สงบ พออยู่บ้านนี่ยากมันมีเครื่องกระตุ้นใจตลอดเวลาไหนเสียงเอ่ยไหนรูปเอ่ยไหนกลิ่นเอ่ยเข้ามาทีนี่กระตุ้นใจให้เต้นขึ้นมาเลยแต่ถ้ามาอยู่วันมันไม่มีอะไรกระตุ้นมันก็เบื่อไปอีกแบบนลยเพราะไม่มีอะไรกระตุ้นมันก็เลยเหงาเพราะยังมีความอยากให้กระตุ้นอยู่ต้องต้องใช้พุโทโธหยุดมันหยุดความอยาก พอไม่มีความอยากให้กระตุ้นแล้วมันก็สบายไม่มีอะไรกระตุ้นก็ไม่เดือดร้อนกลับไม่ชอบให้กระตุนนะ้นแล้วทีนี้ถ้าสงบนะไม่อยากให้ใครมากระตุ้นนะกระตุ้นแล้วลำคาแลนะ้วทีนี้พอได้ยินเสียงเพลงที่ลำคาแลนะ้วเมื่อก่อ น, นได้ยินเสียงเพลงโ อ, โอ้ชอบแต่ถ้าใจสงบแนละ้วมันจะเบื่อกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆรับความสุขมันคนลร ะ, ะดับกัน ความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสนี่มันเหมือนกับถ้าเป็นราคาก็เหมือนก้อนหินที่เราซื้อมาก็ะทำบ้านสร้างบ้านแต่ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันเหมือนกับเพชรเนี่ยราคามันต่างกันคุณค่ามันต่างกันน้ําหนักมันต่างกันความสุขมันต่างกันมากถ้าใครได้ความสุขจากระดับเพชรนี่แล้วจะไม่มีอยากจะกลับไปหาความสุขระดับก้อนหิน เคยขับรถเบนซ์แล้วไม่อยากจะขับไปรถขับไปรถยี่ห้ออื่นอะเคยอยู่โรงารมห้าดาวแล้วไม่อยากจะไปอยู่โรงารมดาวเดียวอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราจะได้มาเรียนรู้กันจากการฟังเทศฟังธรรมกันได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังกันมาก่อน เรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอฟังซ้ำเข้าก็เข้าใจมากขึ้นไปตามลาดับแล้วทำให้เราหายสงสัยในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจะทำให้เราเห็นความจริงว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์เพราะมีความแก่มีความเจ็บมีความตายรอเราอยู่กันทุกคน สู้มาหาความสงบจากการบำเพ็ญมาการรักษาศีลมาการนั่งสมาธิกันดีกว่าอ่<ม>นี่คือสิ่งที่เราได้รับกันไปวันนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือต้องเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์รู้แล้วว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงก็ต้องเอาไปใช้กันอย่าเาอาไปเก็บไว้ในลิ้นชัก <laughs> <laughs> กลับบ้านก็ลืมไปแล้วกลับไปทำเหมือนเดิม เคยทำบาปก็ทาบาปต่อไปใครอยากอะไรก็อยากต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าฟังทำแบบนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ได้เดียวเดียวได้ประโยชน์เดียวเดียวขณะที่ฟังขณะที่ฟังก็มีความสุขมีความสงบดีแต่พอไปแล้วก็ลืมไปแล้วกลับไปทำเหมือนเดิมแล้วก็ไปทุกข์เหมือนเดิมเอาล้นะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตาังอุปกปติอ an ิช e ิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปันาระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโววินัสตุมาเตภวตะวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิษานิจจังวุทาปะจายโน จตารธรรมวัฏฐานติอายุวนโนสุขังภาลา่ง ม, มีหนังสือซีดีแจกนะถ้าต้องการก็หยิบไปได้ทุกเล่มเลยมีคนก็พิมพ์มาให้แจกการแจกหนังสือธรรมะก็เป็นบุญ ทำมาานชนะการให้ทั้งกวงกอเอามาสักขอก็ได้อ่ะจะเอามาถวายก็ได้วางไว้เดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวโบกยุนไม่ถึง <c oughs> อาวันนี้เฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่วันนี้เฟซบุ๊กสูงสุด421ค่ะอ๋อเกิน400เนะนี่นยใทางยูทูบ57ค่ะ57ชาลานัานไม่มี คำถามฝากถามจากคุณโสคลค่ะมีผู้ป่วยซึ่งปฏิบัติธรรมมีโรคความดันโลหิตสูงมากระดับวิกฤตเกงว่าถ้าไม่รักษาจะเกิดโรคแทรกซ้อนเช่นเลือดออกในสมองได้ปฏิบัติธรรมแนวสมาธิเวี่ยงได้สองปีสุขภาพโดยรวมดีแต่ยังมีความดันโลหิตสูงมากต้องทานยาตลอดแต่หนึ่งปีหลังไม่กินยารักษาทั้งัท้ง ท, งที่ความดันโลหิตยังอยู่ในขั้นวิกฤต ในทางกรับกันผมเคยได้ฟังคำเทศของพระอาจารย์ว่าถ้าพระนักบวชป่วยก็รักษาตามมีตามเกิดไม่มีก็ใช้สมุนไพรไม่มีก็ใช้น้ำมดูดน้ำปัสสาวะปัญหาคือการก้าวหน้าทางธรรมหรือปรรลุธรรมกับการดูแลธาตุขันธ์ที่ป่วยของคารวาสควรทำอย่างไรให้ตรงตามมรรควิธีโดยให้มีสมาทิฐิครับอ า, อยากย้หน้าก้าวหน้าทางธรรมก็ต้องปล่อยวางร่างกาย ถ้าปล่อยให้มันตายได้ก็ก้าวหน้าแล้วมับนบรรลุเป็นโสดาบันได้แล้วถ้าไม่ยอมให้มันตายก็ไม่มีวันก้าวหน้ายั้นเมื่อถึงเวลาต้องเลือกระหว่างทํากับเรื่องของการรักษาร่างกายก็เอาทําดีกว่าพระเจ้าบอกให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสวะอะวัย ว, วะเพื่อให้รักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อให้รักษาธรรมถ้าอยากได้ธรรมก็สละชีวิตไปเลยปล่อยให้มันตายไปยัง ไ, งไมันไม่ตายหรือไง มันก็ต้องตายอยู่ดีเมื่อถึงเวลาที่มันสมควรยให้มันตายไปไปไปดึงมันไว้ทําไมปล่อยให้มันตายดีกวถ้าเราปล่อยให้มันตายด้วยความสมัครใจเราได้บรรลุธรรมถ้าเราปล่อยให้มันตายด้วยถูกจําใจบังคับให้ให้ทำก็ไม่ได้ทําไม่ได้บรรลุธรรมการจะบรรลุธรรมนี้ต้องต้องต้องยินดีปล่อยยินดีปล่อยร่างกายถ้าถูกบังคับให้ปล่อยมันไม่บรรลุ ถ้าถึงตอนนั้นแล้วพ่อพระพเจ้าพระพเจ้าถึงมาสอนตอนใกล้ตายเจวันให้ปล่อยร่างกายปล่อยทุกอย่างพอพ่อพระเจ้าเชื่อก็ปล่อยไม่ต้องไปรักษามันรักษาใจอย่างเดียวทําใจให้สงบพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวแล้วอย่าไปยึดไปติดกับร่างกายมันต้องไปด้หน้าปล่อยมันไปถ้าปล่อยด้วยความยินดีปล่อยจะเป็นบุญเหมือนเงินทองนิญาโยมมาปล่อยวันนี้ปล่อยด้วยความยินดีหรือปล่อยด้วยความไม่ยินดี ปยแล้วยินดีเรากสึกไงสบายใจไหมถ้าถูกบังคับโจรมันมาจี้เอาปืนมาบังคับเอาเงินเอากระเป๋าไปนี่ดีใจไหมมันเสียเหมือนกันไม่ใช่เหรอเสียแบบยินดีกับเสียแบบไม่ยินดีเสียแบบยินดีแล้วจะทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเร า, เามีความสุขนันแหะบัณฑการบรรลุทางก็บรรลุเพื่อเพื่อทําใจให้เราสงบทําใจให้เราสุขเวลาจะตายในิจใจเรามันไม่สบ สงกไม่สงพราะมันยื้อกันมันดึงไว้มันไม่ยอมปล่อยร่างกายเหมือนที่คนมาขโมยกระเป๋าเราเนี่ยเราก็ยื้อดึงมันมันก็ดึงไปต่างคนต่างดึงต่างคนก็ต่างเครียดกันเนี่ยแต่ถ้าเราคิดเกียดเครียดอมึงเอาไปเลยปล่อยมันมันก็ไปแล้วก็เบามันก็เบาพอใจไหมใจก็สบายเออนั่นแหละถ้าถึงจุดที่จะต้องเลือกระหว่างร่างกายกับรักษาร่างกายก็ปล่อยมันไปดีกว่ามันก็ยังไงก็ต้องตายอยู่ดี ดีไม่ดีปล่อยแล้วมันอาจจะไม่ตายก็ได้พอปล่อยแล้วความเครียดหายไปะร่างกายไม่มีอะไรมารบกวนมันเดี๋ยวมันฟื้นขึ้นมาเองก็ได้เพราะปล่อยไปเถิดร่างกายนี้ยมันถึงเวลาต้องปล่อยต้องปล่อยถ้ายังไม่เืได้ปล่อยต้องปล่อยก่อนแต่ถ้าปล่อยแล้วจะกลับมารักษาทีหลังก็ไม่เป็นไรแล้วที่รักษาเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไปก็ได้ะ ร่างกายนี้ยังอาจจะไปใช้ประโยชน์ไปสั่งสอนธรรมะอะไรอย่างนี้อย่างครูบาอาจารย์นี่ท่านปล่อยได้แล้วแต่ท่านก็ยังรักษาร่างกายท่านอยู่เพราะท่านเห็นว่ามันยังเอามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเนี่ยมานั่งสอนทุกวันบ่ายสองโมงเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่รักษาตอนนี้ก็ตายไปแล้วหรือนอนอยู่โรงพยาบาลนี่ก็ยังเวลาที่ยังรักษาได้ก็รักษาตัดไปแต่ไม่ได้รักษาแบบยื้อกันแย่งกันรักษาไปตามอัตภาพรักษาไปตามสภาพ ถ้ามันอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนเราต้องมาปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนแล้วถ้ายังไม่ปล่อยปล่อยไม่เสร็ยอมตายไปแล้วรับรบองได้ว่าจะจะได้มากกว่าเสียเสียร่างกายไปแต่จะได้ทาอย่างที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมที่จะได้ก็คือเนี่ยโสดาปฏิมาคโสดาปฏิัศนปฏิผลเนี่ย อ่ตอไปคำถามทาง u ู u ูบจากคุณจากคุณ v ีเคค่ะเราจะลดความอิจฉาลงได้ยังไงคะเช่นเวลาเห็นเพื่อนเราบางคนลงรูปในเฟซโชว์กระเป๋าแพงๆรถสวยๆไม่อยากให้รู้สึกแบบนั้นเลยค่ะ <c oughs> มันแย่มากๆแต่มันก็มีขึ้นมาคะ่ะเราต้องลดความอยากของเรา <c oughs> อยาอยาไปอยากได้ของเราไน้แล้วเราก็จะไม่อิจฉาอาจจะใช้ถุงมัดสติไ <c> ป <oughs> แล้วต่อไปเราจะไม่เราจะไม่สนใจใครจะมีกระเป๋าอะไรก็ให้ให้ใช้เหตุผลอย่าไปใช้อารมณ์นะเหตุผลก็คือเราต้องมีกระเป๋าไว้ใส่ของใช่ไหมถุงพลาสติดนี่มันใส่ไม่ได้เลยะใช้ไปเสกการฝนได้ด้วยกันน้ําด้ย้วย <c oughs> ขาดก็เปลี่ยนได้ง่าย <c oughs> แล้วเปลี่ยนใบใหม่อยู่เรื่อยเปลี่ยนอยู่เนื่ย เบือบ่อเบื่อโลตัสก็ไปเอาท็อมาเบื่อท็อปก็ไปเอาเซ็นทรัมากันมีหลายยี่ห้อให้ใช้นะเราใช้เหตุผลแล้วของฟุ่มเฟอยต่างๆจะไม่มีความหมายอะไรเราไปใช้อารมณ์กันมันก็เลยไปหลงกัน น, นั่งรถราคาห้าแสนกับนั่งรถราคาห้าล้านมันก็ไปถึงที่เดียวกันไม่ใช่ห่างกันอาจจะแค่สองสามนาทีก็วิ่งเร็วหน่อย เ, อเขาไปก่อนเดี๋ยวเราก็ไปถึงที่เดียวกัน กันมีห้าแสน้าไปได้มีห้าล้าน้าไปได้นั้นเราก็เอาเหตุผลดีกว่า น, นลดความอยากลงอยู่แบบพระเนี่ย ไ, ไปอย่าไปมองคนอื่นให้มองพระแล้วจะได้ไม่อิจฉาเราไม่อิจฉาพระมั้งเห็นพระเดินขึ้นตมาแล้วไม่อิจฉาลู เห็นภาพของกี่วานแล้วไหมเชียเจอกี่วานก็จากชุดนี้ใ่ไหมอาจรย์มสงสัยว่าอย่างถ้าเกิดเราเจอสิ่งที่สัมผัสนะคะที่กระทบอย่งที่อาจารย์สอนว่ากระทบทางตาหูสมองหลังายใจคือตรงนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเรามองเป็นสัต์แต่ว่าได้มันก็จะไม่เลยมาจนถึงทําให้เรากระทบใจว่าสิ่งนี้ชอบหรือไม่ชอบนมันก็จะไม่เกิดความรำคาญใจออื คือตรงนี้เราเราควรจะหยุดให้ได้ตั้งแต่ต้นเลยว่าหยุดได้ก็ดีจะหยุดได้ต้องมีสมาธิไงถ้าฝึกสมาธิมันก็จะได้อุเบกขาพออุเบกขามันเห็นแรงมันก็เฉยเฉยไปหมดถ้าเกิดเราปล่อยไป ม, มันเราอุเบกขาไม่พอมันก็จะเลยไปมันก็จะเกิดความรักความชังขึ้นมาความอยากขึ้นมาความรู้สึกต่างๆก็ตามมาความคิดต่างๆมันก็ตามมาตามสูตรของมัน มันเคยอิดช้ามันก็จะอิดช้ามันเคยน้อยใจมันก็จะน้อยใจมันเคยโกรธมันก็จะโกรธแล้วแต่สูตรของมันแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนก็อิดช้าบางคนก็เสียใจน้อยใจบางคนก็โกรธบางคนก็งอนแต่ละคนก็มีวิธีปฏิบัติกับอารมณ์ของตนเองไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราฝึกสมาธิเราก็จะตัดอารมณ์เหล่านี้ออกไปให้หมดเนือแต่วุเบขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเฉยเฉยเห็นอะไรก็เฉยเฉยไป ผมเบกขาเนี่มันก็เกิดไม่ได้ตลอดเวลาไม่ได้มันได้เฉพาะตอนออกจากสมาธิใหม่ๆครับเหมืนน้ำที่แช่ในตู้เย็นใหม่ๆนั้นก็เย็นอพอมาสักพักเดี๋ยวมันก็หายก็ต้องกลับไปสมาธิใหม่เพราะเบกขาหายก็ต้องเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ถ้าจากไม่อยากให้มันหายก็ต้องใช้ปัญญารักษาเวลาออกมาก็สอนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงดีขนาดไหนเดี๋ยวมันก็กลายเป็นขยะไปกระเป๋าแพงขนาดไหนใช้ไปทั้งวันเดี๋ยวมันก็กลายเป็น ของเสียไปรถยนต์หรืของดีขนาดไหนใช้ไปเดี๋ยวมันก็เสียไม่เสียก็หายพอหายก็ทุกข์เว้ยชั่อย่าไปเอาชั่อย่าไปอยากได้มันดีกว่ามันก็จะเฉยได้ถ้าเห็นทุกอย่างว่าเป็นตายรักมันก็จะมันก็จะตัดความอยากได้สิ่ง ต, ต่างๆได้มาแล้วเดี๋ยวต้องทุกข์กับมันนะได้มาก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษาต้องห่วงใยไหมได้อะไรมาก็รักก็ห่วงไหม โหยแล้วทุกข์แสุข่ะเวลาหวงอ่ะเวลาหึงเป็นยังไงเวลาหึงไปได้แฟนมาแล้วเนี่ยไปคุยแฟนก็ไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นหน่อยเป็นยังไงหึงขึ้นมาเลยอ่ <c oughs> ถ้าไม่ได้เขาก็ไม่ต้องมาหึงใช่ไหมอ่าอยู่คนเดียวดีกว่ามไม่มีอะไรดีกว่า อ, อยู่กับอุเบกขาดีกว่าอยู่กับเฉยๆดีกว่าแสดงว่าตัวปัญญามันก็ตัแต่ละขั้นเหมือนกันอย่างเช่นสมมติว่ามีความรู้สึกสัมผัสเนี่ยถ้าเรามีปัญญา บอกได้ว่าความรู้สึกสัมผัส่างเนี้ยมันจะทําให้เกิดเราเกิดความทุกข์ต่อไปนะถ้าเราหยุดตรงนี้ได้นั้นก็จบเลยเออจบเลยแต่ถ้ามันเลยมันทังเกิดอารมณ์มันก็ต้องเหมือนกลับไปพิจารณาตรงอารมณ์ตรงนั้นว่ามันทําให้เกิดความทุกข์คนะือใช้ตรงขั้นไหนก็ได้อขั้นไหนก็ได้ที่จะหยุดมนะันเนี่ยในตอนนั้นทีอาจารสอนว่าคือหนูจะชอบมีความรู้สึกที่ไม่ชอบให้คนอื่นมามายุ่งมาแบบ ทำอะไรกับเรานนะะ <haba S 2> อะไรเงี้ยค่ะพระอาจาบอกว่าก็ตายไปก็เอาเข้าไปไม่ได้อืมก็ อ, อยู่ก็ห้ามเขาได้หรือเปล่าเขาเขาจะมายุ่งกับเราเราไปห้ามเขได้หรือเปล่าทําไมของบางอย่างเราไม่ชอบที่เราอยู่กับเขาได้เนวะลาฝนตกเราไม่ชอบทําเวลาอยู่กับมันได้เพราะเราไม่เลยไปอยากให้เขาไม่ตกใชนะ่ไหมเขาตกก็ปล่อยก็ตกไปเลยเขาใครอยากจะมายุ่งกับเราก็ปล่อยก็ยุ่งไปเลยเราหนีได้ก็หนีไปเราหลบได้ก็หลกไป ถ้าหลบไม่ได้ก็เฉยเฉยไปไปเขายุ่งไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วเขาไม่ได้ไมายุ่งตลอดเวลายิงได้เขาสิ่งที่เขาอยากได้ไปได้กันเ ข, กเขาก็ไปเลยไปยุ่งกันแล้วปั๊บเขาอยากให้ทํานู่นทํานี่ก็ทาให้เขาไปทําเสร็จเขาก็ไปอือมํารต่อนเนื่องครับถ้าเกิดเราแผ่นเลื้อตาไปจะช่วยไหมครับแผ่ยังไงอ่ะคือสำหรับเราไม่สมบูรณเราเราสึกว่าเราไม่ชอบแบบนี้แต่ว่าเราก็ เมือเราปล่อยวางแล้วก็แผลเมตาตายเขาแค่จะเริ่มตุบเกินเวลาเหมือนเหมืเหื่ถึงกับปวนะว่าแผลเมตานั่งเฉยๆแผลไปนี่เหรอไม่ครับเวลาเวลาไปทำบุญอยู่แล้วก็แผลเมตาตายเขาด้วยไม่ต้องแผลให้กับตัวเขาเสิจากตัวเขาครับที่เราที่เราไม่เจอแล้วคุณนั่นล่ะคุณไปแผลตอนไหนล่ะ <c oughs> ไปแผลตอนไหนล่ะก็แผลตอนที่ทำบุญอยู่ไม่นั่งสมาธิเฮอยต้องไปแผลตอนที่เจอกันสิคุณไปแผลตอนที่คุณอยู่คนเดียวเขาจะไม่รู้เรื่องคุณแผลเขาหรือเปล่า เจอเขาก็เอาขนมมาให้ก็เลยเนี่ยแผ่เมตตาพี่เอาขนมไม่กินเนี่ยซื้อมาฝากอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นทปลแล้วก็แล้วทางทำเราต้องทําเล่ไม่ต้ออนั้นคือทางอนนั้น่ะต้องทาของจริงนั่นเป็นของเล่นนั่งอยู่คนเดียวเราแผ่มันไม่ได้แผ่อะไรไม่มีใครรับไม่มีใครให้อันนั้นเป็นการซ้อมเป็นการซ้อมทำการทาการบ้านพอไปเจอตัวเขาเนี่ยตอนนั้นต้องแผ่ พี่จะเอาอะไรเอาเลยแบบนี้เนื่อแผ่เมตตาก็อเอาใจเขาไงการแผ่เมตตาก็คือเอาใจเขาเมื่อเอาใจเขาเขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเราเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราถ้าเราไปอไปทำร้ายเขาไปจองเวรจองกรรมกับเขาเขาก็กลับมาจองเวรจองกรรมกับเราดังนั้นการแผ่เมตตาต้องแผ่กับบุคคลที่เราต้องการแผ่ไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวทําบุญแล้วก็แผ่นั่งสมาธิไปก็แผ่ อันนั้นไม่ได้แผ่เป็นการสวดนะการสวดไม่ได้เป็นการแผ่มันไม่มีแผ่อะไรเนี่ยใช่ไหยคนรับก็ไม่มีไม่รู้เขารับเขารับรู้ป่ะเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าเราแผ่ะ้ยายเขารู้ว่าเราแผ่เนี่ยมีเงินก็าไปให้เขาสิพี่วันนี้มีเงินเหลือใช้พี่เอาไปใช้บ้างก็ได้มีลดก็อ่ ะ, อ, ะอยากจะลืมมีลดเสียเลยเอาเอาลถของผมไม่ใช้ก่อนก็ได้ อ, อย่างเงี้ยแผ่เมตตาให้ความสุขกับเขา ที่ที่ศาสตร์บอกว่าถ้าเกิดเขาต้องการอะไรก็ให้ให้เขาไปอย่างนี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่าเราเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ไม่สมหรือไม่สมควรมันไม่สมควรก็ไม่ให้เลยไม่สมควรก็ไม่ให้ก็พิจารณาตามเหตุผลออะไรให้ได้ก็ให้ไปถ้าให้ไม่ได้หรือให้บ่อยๆยังไม่หยุดก็ก็ต้องหยุดเหมือนกันก็ต้องทําใจอย่างเดียวจะทําอะไรเราก็ทำไปอันอไานจะทําอะไรก็ทําไปน ในนที่สุดก็ลงมาที่อุเบกขาถ้าแผ่เมตตาแล้วก็ไม่ได้ผลกรุณาแล้วก็ไม่ได้ผลมุนีตาแล้วก็ไม่ได้ผลก็ต้องเฉยคนเขาไม่ฟังเหตุผลเออก็ปล่อยเขาไปหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็พุทโธพุทโธไปภายในใจอาจารย์ครับเรืนี้เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวที่เห็นตัวตนแล้วค่ะ นั่นแหละเจ้า ก, การรมนายเวรก็พวกคู่อริของเราเนี่ยแหละพวกที่อยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะ ก, ก, ก, ก, กันเกลียดกันโกรธกันนี่แหละคือเจ้ากรรมนายเวรไม่ได้เป็นสัตว์ลึกลับที่มองไม่เห็นหรอกเข้าใจไหมโดยเฉพาะคู่รักเราเนีย่ยคู่กรรมนี่ใครจะมาโกรธมาเกลียดกับเรามากกว่าคู่รักของเราอใช่ไหมเวลาขัดใจคู่รักเรานานเนี่ยโอ้โกรธเกลียดกันเออ ่าวาวมคำถามจากคุณไม่มีเราไม่มีเขา้ากพระพิสุทต้องอาบัตต่ำกว่าปาราชิตสี่ลาสิกขาออกมาจะสามารถสร้างบารมีทมถึงมรรคผล น, นิพานได้ไหมครับ <c oughs> เช่นสังฆาพิเศษหรือว่าถูกปิดกัน้นคือไม่ปิดกั้นหรอกทุกอยาทำได้แม้แต่แม้แต่ปาราชิตก็ยังกลับมาทำบุญต่อได้ เพแต่ว่าไม่สามารถอยู่ในคาบของนักบวชได้เท่านั้นเองเพราะว่ามันไม่เหมาะกับเพศคือการกระทำของเรามันไม่มันไม่มันไม่เหมาะมันทำให้การเป็นพระเสียหายถ้าอยู่แล้วเสียหายแต่ถ้าอยากจะออกมาเึกออกมาแล้วมาปฏิบัติธรรมก็ยังบรรลุได้ถ้าได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาครบมันก็มันก็บรรลุได้เพราะเทวทัศน์นี่ พยายามข้าพุทธเจ้าถึงสามครั้งก็ยังกลับมาเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าได้ต่อไปแต่ต้องไปใช้กรรมก่อนต้องไปตกนรกก่อนเหมือนไปติดคุกก่อนเหมือนคนที่ทำคดีมีคดีไว้ติดคุกเวลาอยู่ในคุกก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหพอออกจากคุกมาถ้าอยากจะมาพัฒนาตัวเองมาเรียนหนังสือต่อมาทำเป็นยาต่อเดี๋ยวได้เป็นยาตีโทเอกไปทำมาหากินต่อ ไปเป็นทนายความไปสมัครเป็นสสเดี๋ยวอาจจะไปเป็นนายกก็ได้มันมันไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็มันก็มีมมีมีผลของมันเมื่อผ่านผ่านมันไปแล้วมันก็ไม่มีผลอีกต่อไปเมื่อเราใช้กรรมของเราไปแล้วมันก็หมดไปถ้าเราเป็นพระแล้วไปทําปาราชิกก็ถูกจับสึบไปก็เป็นพระไม่ได้แต่ก็ยังไปนั่งสมาธิได้ไปเดินจงกรมไปอ่านหนังสือธรรมะได้ไป ทำบุญทำทานรักษาสี่งได้ทุกอย่างไม่มีข้อห้ามเมื่อเราทําไปทําไปเราอาจจะบรรลุในข้าของคาว่าก็ได้ไม่ต้องบรรลุในข้าของพระก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่การเป็นพระแล้วไม่เรีนพระพวกที่เป็นพระต้องเยอะแยะไม่เห็นบรรลุกันเลยใช่ไหมมันไม่ได้ดังนั้นมันก็มันเป็นเพียงแต่ขั้นตอนของการดูแลรักษาองค์กรให้มันสะอาดบริสุทธิ์ถ้ามีอะไรแปกปลนหรือสอง ของที่ไม่ควรที่ให้ใหอยู่ในองค์กรก็ต้องคัดออกไปเท่านั้นเองถ้าเหมือนกับคนที่อยู่ในสังคมแล้วทำเสียหายต่อสังคมเขาก็จับไปเข้าคุกเข้าตารางไปแต่เมื่อพ้นโทษแล้วกลับมาอยู่ในสังคมใหม่แล้วปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมได้เขาก็อยู่ได้ตอนนีเพียงแต่ว่าทางพระเขาไม่ให้กลับมากลับมาบวชใหม่เท่านั้นเพราะไม่มีมาตรการไปซักฟอกสึกออกไปแล้วไม่รู้ว่าไปซักฟอกมาอย่างไร ก็เลยไม่ให้กลับมาดีกว่ากลับมาแล้วเดี๋ยวก็มาทําปัญหาเดิมอีกคําถามจากคุณนาะฟังธรรมะซ้ำหลายรอบมีประโยชน์ไหมครับมีเพราะฟังเแต่ละครั้งนี่มันไม่ได้ฟังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะใจเราไม่ได้จดจ่อฟังอยู่100รอ้อยเปอร์เ็นต์บางทีฟังได้แวบบ๊บเดี๋ยวไปคิดเรื่องนั้นละเรื่องที่เรากําลังฟังอยู่ก็จะไม่ได้ยินละหรือเรื่องที่เราฟังอยู่แต่ละ จ, จะไม่เข้าใจในครั้งแรกก็ได้ ถ้าเรากลับมาฟังอีกครั้งเราก็อาจจะเข้าใจก็ได้งั้นธรรมะอันเดียวกันเนี่ยเทศอันเดียว น, นี่ยบางทีฟังหลายๆผลนี่มันได้อะไรต่างๆหลายๆครั้งไม่เหมือนกันงั้นฟังได้ฟังซ้ําได้คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามสิ่งที่ติดไปกับใจเป็นนิสัยไม่ต้องเริ่มใหม่ไม่ว่าเกิดกี่พบขีชาติคือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับใจอย่างเดียวไหมคะ พอเด็กหรือสัตว์ที่เกิดใหม่จะต้องเรียนรู้ภาษาการใช้ร่างกายเรียนความรู้ทั้งโลกใหม่หมดแต่ใจที่ชอบทําบุญบาปชอบทําสมาธิจะเป็นของเดิมติดมารวมเข้าใจถูกไหมคะถูกต้องอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการกระทําทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยมันจะติดไปอะไรที่เป็นความรู้ที่เราจดจํานี้มันจะจางหายไปภาษาอะไรนี่เดี๋ยวมันก็จางหายไปได้แต่นิสัยที่เคยทําอะไรมันไม่จางมไม่หาย เคยกินเหล้ามันก็จะติดไปกลับมาก็จะกินเหล้าไม่ต้องมีคนสอนเคยเล่นการมานันเคย อ, อะไรนี่มันติดมาเขาถึงเล่านิทานเป็นตัวอย่างว่า ม, มีคนห้าคนติดคุกนะพ อ, อะปล่อยมาจากคุกคนหนึ่งก็ไปขโมยของกันะคนหนึ่งก็ไปฆ่าไปป้นไปจี้ไปฆ่าคนหนึ่งก็ไปเพื่อผิ ด, ผดประเวณีก็คือพวกที่ไปติดคุกเนี่ยพอมาจากคุกนิสัยมันไม่หมดนะ โทษหมดแต่นิสัยเดิมยังมีอยู่เรืงแต่ว่ามันจะจดจําได้หรือเปล่าถ้ามันจดจําได้มันก็อาจจะไม่ไปทําถ้ามันจําไม่ได้มันพอออกมาเกิดความอยากขึ้นมามันก็ฆ่าก็แล้เกิดความอยากก็ขโมยแล้ะคนห้าคนออกมาจากคุกก็เลยไปทําอะไรไม่เหมือนกันะคนก็ข้อไปดื่มสุราไปซื้อสุรามาดื่มคนก็ไปเที่ยวบาร์เที่ยวผับ แ, แล้วแต่ความนิสัยเดิมที่มีอยู่ แต่ถ้าไปแล้วได้รับการสั่งสอนอบรมว่าเป็นโทษทำอย่างนี้แล้วออกมาอาจจะกลัวอาจาอาจะไม่กล้าทำก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยได้นิสัยต่างๆนี้เปลี่ยนได้แต่ต้องมีปัญญาต้องมีสติมีรู้คุณรู้โทษของนิสัยว่าดีหรือไม่ดีคำถามจากคุณนัทธิดาคนที่เคยผิดสิ่งข้อสามแล้วกลับกลับใจมาปฏิบัติ จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมคะแล้วต้องไปรับบาปอยู่ไหมคะได้ทุกคนเนี่ยถ้ารักษาศีลได้นั่งสมาธิได้ตัดความอยากได้ก็ไปบรรลุได้ทั้งนั้นเน่ยองคุลิมาลฆ่าคนมาตั้งเก้าร้ยเก้าเก้าคนก็ยังบรรลุได้เลยนับประสาอะไรกับแค่ประพฤติผิดประเวณีแค่นี้คำ ถ, ถามจากคุณสุรจิต กรรมเวรอะไรทาให้ว่างงานต้องแก้ไขอย่างไรขอบคุณค่ะคือการอยากมีงานเนี่ยมันก็เลยทําให้ว่างงานเวลาเวลาหางานไม่ได้มันก็ว่างงานคนที่ไม่อยากทำงานจะไม่ว่างงานเพราะมันจะไม่มีเวลาว่างเพราะจะทำงานตลอดเวลาคนที่เลาออกจากงานมาบวชนี่เขามีงานทําตลอดเวลางานของเขาก็คืองานกรรมฐาน การนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยทำได้ตลอดเวลาไม่ทํากันงานนี้ไม่ชอบทําชอบไปทํางานที่มันไม่มีมันก็เลยว่างงานตทำไมไม่ทํางานที่มันมีให้ทํำตลอดเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธินี่ทําได้ทั้งวันทั้งคืนเรไม่ทํากันแล้วค่าค่าตอบแทนก็ดีกว่าเงินที่ได้ตั้งเยอะแยะได้มาผลนิพพานนี่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาเกิดกับไม่เอากัน กลับไปเอางานที่หายากหรือมีแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันก็หมดได้ทำแล้วมันก็มันก็ตกงานได้เกิดบริษัทเขาเจ๊งไปหรือว่าเขาต้องลดพนักงานลง เ, เพราะว่าขายไม่ดีมันก็ต้องว่างงานกันไปอันนี้เป็นเรื่องปกติของทางโลกอยู่ในโลกนี้ถ้าทำงานมันก็ต้องมีโอกาสที่จะตกงานถ้าไม่อยากจะตกงานก็มาทำงานที่ไม่มีวันตกไม่มีวันหมด ก็คืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิข้อที่สองบ้านที่อยู่อาศัยมีตั้งศาลเจ้าจีนตีจู่เอียจะไหว้ด้วยผลไม้ถามว่าท่านได้รับอย่างไรถ้าไม่ได้รับต้องทำอย่างไรก็รไม่ต้องไหว้ไหว้ด้วยทูบเทียนก็พอจุดทูบจุดเทียนแล้วกราบเป็นวิธีไหว้ก็พอ ของกินไม่ต้องไปให้ท่านอ่ะเพราะท่านไม่ท่านไม่มีร่างกายเหมือนพวกเรากินไม่ได้อแล้วก็ไม่รู้ว่ามีท่านมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงแต่มีความเชื่อว่ามีจริงก็เลยเชื่อกันว่าท่านอยู่ตรงนั้นนะ้าสํารับการบูชาพระพุทธรูปอะคะต้องใช้ทุบเทียนไหคะสมบุกอยู่ในบ้านด้วยก็แล้วแต่ความเหมาะสมอะจะใช้กระดาษไม่ใช้กระดาษใช้แค่กราบก็พ อ, อกราบแล้วก็ถือว่าบูชาละการแสดงความเคารพ ความนับถือไม่ลบหลู่ก็เรียกว่าการเป็นการบูชาแต่บูชาพระพุทธรูปก็สู้บูชาพระธรรมไม่ได้พระเจ้าบอกให้ปฏิบัติบูชาดีกว่าปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนเป็นการบูชาที่แท้จริงถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้ปฏิบัติบูชาให้ทําบุญทำทานให้รักษาศีลให้ปฏิบัติธรรมอันนี้แหละเป็นการบูชา แล้วไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อดอกไม้ซื้อพวงมาลัยซื้อดอกซื้อทูบซื้อเทียนมาจุดแล้วต้องอยมาเก็บมาทิ้งมาทําความสะอาดกันปฏิบัติบูชาพพุทธเจ้าบอกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นแหละคือผู้บูชาเราตถาคตเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ต้องมีดอกไม้ทูบเทียนไม่ต้องมีพุทธรูปพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สร้างพุทธรูป เราสร้างกันขึ้นมาเองสร้างมาแล้วก็ทำเป็นตุเป็นตะมีพิธีเบิกพบิกพระเนตรอีกนะอ้อเบิกมันได้ไงมันเคยมันมีพระเนตที่ไหนลนะ่ะกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเสียเวลาไปเปล่ากไม่เกิดประโยชน์คำถามจากคุณนาราศาสนาพุทธมีนิกายอะไรครับเริ่มต้นก็มีนิกายเดียว ต่อมาก็เวลาพระเจ้าตายก็แยกเป็นสองมหายานกับหินยานหรือเทรวาดมหาญาณก็พวกที่ไปทางทิเบตไปทางเนปาลไปเมืองจีนไปเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพวกมหายานพวกที่มาทางใต้มาทางศรีลังกามาทางพมา่าไทยขเขมรลาวก็เป็นพวกเทรวาดหรือหินยาน ตอนต้นเข้าใจคําว่ามหายานกับหินยาณมหาแปลว่ายานที่ยิ่งใหญ่ห huh. ินญาณเป็นญาณยานที่เล็กท um ี huh. ่น้อยอที่เขาว่ามหายานใหญ่เพราะเขามุ่งไปให้เป็นมุ uh. ่งไปเป็นพระพุทธเจ้ากันส่วนหินยานนี้มุ่งให้ไปเป็นพระอรหันต์กันเขาก็เลยสอนว่าการเป็นพระอรหันต์นี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเรือน้อยรับคนได้ไม่มากเหมือนกับการเป็นพระพุทธเจ้า ทางหมหายานเขาจะไปเน้นให้เรื่องเป็นการสร้างบารมีกันไม่ให้ไปไม่ได้ไปบรรลุกันในชาตินี้ให้ไปไปเป็นพระพุทธเจ้าในในอนาคตอันไกลอันยาวนู่นส่วนเทราวะให้รีบปฏิบัติให้หลุดพ้น ใ, ชในชาตินี้ให้เป็นท้าในชาตินี้ก็เลยพอไปแต่ละประเทศมันก็แยกแตกเก่งไปอีกศีลรงกาก็มีหลายนิกายเมืองไทยก็มีสองนิกาย แต่ละประเทศพอไปอยู่แล้วเดี๋ยวพระก็มีความเห็นไม่เหมือนกันเห็นวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกันก็เลยแยกกันปฏิบัติของไทยเรานี่ก็เดิมทีก็มีอันเดียวแล้วต่อมาราชการที่สี่ตอนตอนั้นตอนก่อนที่ท่านเป็นราชการที่สี่ท่านมาบวชก่อนบวชท่านได้ศึกษาพราะไตรปิฎกได้เห็นพระวินัยของพระว่าพระควรจะปฏิบัติตนอย่างไร เราเห็นว่าพระที่ที่มีอยู่ในสมัยนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามพระวินยออัยมีการทำกิจกรรมนอกพระวินัยกันออท่านก็เลยไม่ศรัทธาท่านก็เลยไปพบกับพระที่ยังรักษาพระวินัยอยู่เป็นพวกผ้ามอนออท่านก็ไปเลยบวช ก, กับพวกพ้ามอเพอบวชแล้วก็มีคนศรัทธาท่านเป็นเจ้าฟ้าเป็นราชโอรสก็มีคนบวชตาม ก็เลยกลายเป็นคณะขึ้นมาเพราะมีการปฏิบัติต่ตางจากพระคณะใหญ่ที่เป็นอยู่คณะใหญ่เขาย่อหย่อนในทางพระวินยัยของบางอย่างไม่ควรกินหลังจากเที่ยงก็กินได้ เ, เงินทองไม่ควรจับเขาก็จับได้ทำนางนี้ท่านก็เห็นว่าไม่ถูกกับพระวินยัยท่านก็เลยไม่ไปบวชกับพวกนี้ามาบวชกับพวกพระมอรที่ยังรักษาพระวินัยอยู่ ตอนต้นก็เป็นกลุ่มมีไม่กี่รูปนี่พอคนเห็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหน้าเรื่อมใสก็มาขอบวดเพิ่มก็เลยกลายเป็นคณะขึ้นมาจากกลุ่มก็เป็นคณะจากคณะก็กลายเป็นนิกายขึ้นมาก็เลยเรียกว่านิกายธรรมยุทธ์ขึ้นมาส่วนมหานิกายก็เป็นนิกายเก่านิกายเดิมอยู่ยังเป็นมหาอยู่เพราะยังเป็นนิกายที่ใหญ่อยู่ พราะธรรมยุทธนี่เป็นนิกายเล็กหนึ่งในสิบของมหานิกายวัดในเมืองไทยนี้สมมติว่ามีร้อยวัดก็เก้าสิบวัดก็เป็นมหานิกายสิบวัดก็จะเป็นธรรมยุทธ์นี่ธรรมยุทธ์ก็จะเข่งคัดต่อธรรมวินยัยเข่งคัดต่อการปฏิบัติสายวัดป่านี้ก็มาจากธรรมยุทธ์ทั้งนั้นหลวงปู่มั่นมานี่ก็เป็นธรรมยุทธกันมาตลอดยกเว้นหลวงปู่ชาท่านเป็นมหานิกาย แล้วท่านก็อยากจะมาเป็นธรรมยุทธแต่หลวงปู่มั่นก็เบกไว้ว่าคุณอยู่ทางนั้นน่ะดีแล้วจะได้มีคนช่วยทางนู้นบ้างถ้ามาทางนี้หมดทางนู้นก็ไม่มีใครช่วยกันเอก็เลยมีสายหลวงปู่ชาที่เป็นมหานิกายแต่ก็ปฏิบัติเขร่งครัดกับเหมือนกับพระธรรมยุทธ์เหมือนกับพระป่าไม่จับต้องเงินทองอถือทุูดงคขาวัดฉันเมื่อเดียวฉันได้บาททธโดงอะไรต่างๆเหมือนกันนี่ก็คือพระ ทททีี่นน่มากกเเ็็อยยยปปนนใระศไคำถามจากคู้ม่ประสงค์ออกนามถ้าเรามีอุเบกขามากขึ้นเราจะเฉยต่อเหตุการณ์หรือสิ่งมากระทบที่เราเคยไม่ชอบหรือเคยชอบใช่ไหมคะคือเหตุการณ์หรือสิ่งที่กระทบเดียวกันแต่เรารับได้ไม่ทุกหรือสุขเหมือนเมื่อก่อนแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าอุเบกขาจริงหรือเป็นความเคยชินคะ ก็เหมือนกินข้าวอิ่มจะรู้ได้หรือเปล่าวเวลาอิ่มจริงเนื้ออิ่มไม่จริง <c oughs> ก็ต้องปฏิบัตินะถึงจะรู้จริงมานั่งคุยกันอย่างนี้ก็เหมือนบอกคนตาบอดว่าสีเขียวสีแดงเป็ยังไงมันก็ยังไม่รู้จริงต้องลืมตาต้องบอกให้ก็ลืมตาตอนลืมตาแล้วเขก็จะเห็นจริงเห็นสีเขียวสีแดงเอง อ, อยากจะรู้ว่าอุเบกขาจริงหรือไม่ก็ไปปฏิบัติสิตอนนี้ก็ดูแต่ตอนนี้เป็นอุเบกขาจริงหรือ ย, อยังตอนนี้มีอุเบกขาปะ เวลาใครก็ดา่าเราเราเฉยหรือเปล่าเวลาเห็นของสวยๆงามๆที่คนอื่นก็มียังอิจฉาอยู่หรือเปล่า <c oughs> ถ้ายังมีก็แสดงว่ายังไม่มีอุเบกขาถ้าถ้ามีอุเบกขาแล้วจะเฉยใครจะทำอะไรก็เฉยใครจะดีจะชั่วก็เฉยใครจะดา่าใครจะชมก็เฉยใครจะให้เงินเราหรือ <c oughs> ไม่ให้เงินเราก็เฉยใครจะมาข อ, อยืมเงินเราก็เฉย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ให้มันก็อย่างเชยเลยมันต้องปฏิบัติถึงจะรู้ต้องพิสูจน์สันต like ิโกทมนี้เป็นสันติโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้ด้วยย่อมพิสูจน์ได้ด้วยตนเองก็ต้องปฏิบัติแล้วก็ดูดูใจของตนเองว่าตอนนี้ใจของเราเป็นอย่างไรใจเรามีอุเบกขาหรือยังเห็นเงินทองยังลักอยู่หรือเปล่า เห็นแฟนยังรักหรือเปล่าเห็นลูกยังรักอยู่รึเปล่าถ้ายังรักอยู่ก็ยังแสดงว่าไม่มีอุเบกขาต้องเฉยแต่ก็ไม่เกลียดไม่รักกันแต่ก็ไม่เกลียดเฉยเฉยเฉยเฉยลูกก็ชอบเลยดีค่ะอ่ามันจะชอบมันเฉยเฉยแล้วก็ไม่เลี้ยงมันเลยถ้าเลี้ยงมันก็แสดงว่าไม่เฉยเลย วายมันกินตามมีตามเกิดตมามนะคะกินยังไงไงคนที่มีลูกก็ชอบว่าแบบว่าไม่เข้าใจเขาหลอก น, นะคะพระอาจารย์หนูก็ <c oughs> หนูก็ไม่เข้าใจจริงๆก็มันคนมีกับคนไม่มีมันก็ต่างกันคําถามจากคุณชิลาโรสข้อที่หนึ่งทำไมพระสงฆ์ถึงห้ามตัดอิงไม้ต้นไม้ที่มีชีวิตไม่ใช่หรือครับสมัยพุทธกาลคนก็ยังคิดว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่ คิดว่ายังมีวิญญาณอยู่ถ้าไปตัดเกิ่งไม้ตัดต้นไม้กับมันกลับไปตัดแขนตัดขาของคน<ม>ก็เลยต้องห้า ม, มแม้แต่ของที่จะกินนี้ที่ที่ยังไปขึ้นได้ก็ยังต้องฆ่ามันก่อนต้องให้คนอื่นทําให้ตายก่อนเช่นผลไม้พวกส้มพวกอะไรนี่มันจะมีเม็ดใช่ไหมแตงโมอะไรพวกนี้นํำหนักเวลาถวายของพระเขาต้องให้ญาติโยมทาให้มันตายก่อนที่ ท, ทามันตายก็ปอกเปลือก<ม>แกะเรียก ว, ว่า ทำเป็นชิ้นเป็นอ่านไปมันก็ฆ่ามันแล้วอย่าเอามาทั้งลูกเนี่ยเอามาม่วงมาทั้งลูกเอาแตงโมงมาทั้งลูกเนี่ยพระต้องบอกเอาไปฆ่ามันก่อนทําให้มันให้มันตายก่อนแล้วถึงพระถึงจะกินได้ถ้าไม่เช่นั้นยังจะกินไม่ได้ญาติโยมไม่เข้าใจว่าทําไมต้องปอกผลละไม้กันอะไรกันคิดว่าพระขี้เกียจ <c oughs> จริงไม่ใช่หรอกทําให้มันตายก่อน <c oughs> ญาติโ ย, ยมก็เลยมาทำแต่งบดิีปดากันอย่างดีปันจงเหตุผลแท้ๆจริงก็คือให้ทำให้มันตายเช่นปอกเปลือกแล้วก็แสดงว่ามันตายแล้วอ่าไม่ใช่ว่าพระขี้เกลียดปอกน้องๆหลวงพ่อปอกขอยิ่ง ป, อ ก, ป, งปอกเองดีกว่าจะได้กินผลไม้สดๆแล้วก็ไม่มีมารังวานตอมอะไรแต่ผลไม้ที่โยมแกะแล้วนี่บางทีมารังวาตอมมาถึงเลย เวลามาก็สําหรับพระป่าเนี่ก็ไม่ให้ปอกเลยก็ เ, เอามาเช่นเงาะนี่เอามาทั้งถาดเลยแล้วก่อนจะถวายก็บอกให้ลูกหนึ่งเป็นตัวอย่างเพระจะถามว่าทําให้มันตายหรือยังไอ้ทําให้มันกินได้หรือยังยาโยก็ฉีกเปลือกออกแล้วบอกทำทำแล้วครับนแล้วก่อนประเคนนะ <Yeah. S 1> ถ้าเป็นผักที่มันยังไม่ตายก็หักมันก่อน <Yeah. S 1> พวกผักบงผักบงเนี่บางทีมันขึ้นได้ <Yeah. S 1> ก่อนจะถวายพระก็จะถามว่ากับป oh ียังกะโรที่ แต่ ว, ว่าทำให้เหมาะกับการบริโภคหรือยังญาติโยมก็หักมาแล้วว่ากับปิยะพันเตทำแล้วครับเออเออแล้วก็ประเคนพระได้แต่ทางภาคกลางนี้คนก็ไม่รู้เรื่องที่วัดนี้ไม่ได้ทำเพราะคนไม่รู้ทำไปแล้วเดี๋ยวสอนสอนก็ไม่รู้เรื่องเสียเวลาก็เลยไม่ได้ทำแต่ถ้า้าคป่านี้เขาเป็นธรรมเนียมมาแต่เดิมชาวบ้านเขารู้มาแต่เดิมเวลาเขาเาของที่เป็นผลเป็นผลไม้มที่มันยังขึ้นได้อยู่เนี่ย เขาจะต้องทํากับปิยะก่อนกับปิยะก็คือทําให้มันตายเขียนง่ายๆข้อที่สองที่ว่าตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วเวลาปวดฟันทําไมความปวดมันถึงเป็นของเราไม่เป็นของคนอื่นพราเราไปมองว่ามันเป็นของเราไงมันยังไม่เป็นของร่างกายเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายต่อไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วก็เลยคิดว่าเราเป็น ความปวดของร่างกายก็เลยกลายเป็นของเราไปด้วยกาวามจริงความปวดของร่างกายมันเป็นของร่างกายถ้าเรานั่งสมาธิใจเราจะแยกออกจากร่างกายแล้วเราจะไม่ปวดกับความปวดของร่างกายถ้าเราไม่นั่งสมาธิเราจะไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายถ้าเราเป็นนั่งสมาธิแล้วใจเราจะแยกออกจากร่างกายพอแยกออกแล้วใจก็จะเฉยร่างกายเป็นอะไรใจก็ไม่เดือดร้อนกับการเป็นไปของร่างกายปวดก็รู้ว่าปวดแต่ใจไม่ได้ปวดด้วย รู้วมันปวดที่ร่างกายคาถามจากคุณปราณีพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเจ้าคะเ อ, อโดยหลักคําว่าธรรมนี่มันมีหลายความหมายแต่ความหมายหลักก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมนี่มันมีความหมายกว้างกว่านั้นคํถาถามจากคุณตาลหากเราเคยกระทําผิดศีลในอดีตที่ผ่านมา จะวางใจอย่างไรไม่ให้กังวลกับสิ่งที่เคยทำผิดไปครับก็ทำแบบองคุลิมาเนี่ยคำถามจากคุณพิทักษ์อยากให้แม่ศึกษาทมควรเริ่มต้นอย่างไรดีตอนนี้ก็ได้แค่คอยยกคำพูดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเล่าให้ท่านฟังแต่ก็เกรงว่าท่านจะไม่เข้าใจก็ต้องดู ว, ว่าท่านยินดีหรือเปล่าถ้าท่านไม่ยินดีก็เหมือนเทน้าใส่หลังหมา <laughs> ก็ต้องดูเอาหนังสือธรรมะไปวางไว้ใกล้ๆท่านแบบท่านสนใจหยิบอ่านอะไรอย่างงี้ต้องหาอุบายอย่าไปยัดให้ยัดเยียดไม่ได้เขาอย่างเงี้ต้องให้เกิดศรัทธาเกิดความยินดีขึ้นมาแล้วก็มีหน้าที่หวานล้อมไปท่านอย่าเอาหนังสือธรรมะเอาเทศเอาซีดีอะไรไปไว้ที่บ้านแล้วเปิดบ้างเวลาท่านเวลาเราอยู่ก็เปิดท่านจะเปิดเพลงความก็เปิดธรรมะฟังไป ถ้าท่านฟังแล้วเอ๊ะอะไรวะไหนลองฟังหน่อยสิฟังแล้วติดใ จ, จก็อาจจะขอฟังไปเรื่อยๆก็ได้คำถามจากคุณพันยาพรนั่งภาวนาแล้วปวดขามากจนจะทนไม่ไหวตอนนั้นควรพิจารณาอย่างไรดีคะก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราเนี่ยเป็นของร่างกายเราเป็นผู้รู้ก็รู้ไปเราเป็นเหมือนหมอร่างกายเป็นเหมือนคนไข้ใช่ไหมเวลาหมอดูคนไข้ปวดหมอปวดด้วยหรือเปล่า หมอเขาดูไปหมอก็บอกทําใจนะทําใจเนอร่างกายมันไม่ปวดหรอกร่างกายมันไม่เดือนร้อนถึงแม้ความปวดจะออกจากร่างกายแต่ร่างกายมันไม่รู้ว่ามันปวดร่างกายเป็นเหมือนเสาเนี่ยเอามีไปฟันมันเฝาเสาก็ไม่รู้ว่ามันปวดแต่ผู้ที่รู้น่ะคือใจแต่ใจไม่ได้ปวดแล้วแต่ไปปวดแทนร่างกายเพราะไปคิดว่าตอนนี้เป็นร่างกายเยังก็ต้องฝึกทําสมาธิแยกใจออกจากร่างกายให้ได้ก่อนแล้วถึงจะสามารถสอนใจ ให้ปล่อยวางความปวดได้ถามอีกปะคะวดแล้วยังมีเหอยเลยค่ะพรแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วอ่าอันคำถามหนึ่งอาจารย์ก็ตอนมีน้ำบาดเจ็บเราตัดบาดเสร็จแล้วการให้พรเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ใช่อะผมได้ยินมาว่าไม่ต้องให้คือพรต้องรับที่ไหวไม่ต้องรับเลยไม่ต้องมีให้พรเลยเพราะพรเกิดจากการกระทําของเราต้องรับให้พรฮะ เวลาพระให้ผรเราบอกว่าไม่ต้อง่ไดะคะ้ครับไ ม, ไม่ไม่ควรมันเป็นมรารยาทเขาจะให้เราก็รับไว้ <c oughs> ถ้าก็ไม่ให้ก็ไม่ต้องขอ <c oughs> เพราะผลได้แล้วจากการกระทําของเราเอง <c oughs> การให้พรของพระเป็นเพียงการแสดงความยินดีเท่านั้นเองแสดงการแสดงความยินดีเรื่อง ก, การเล่าให้ฟังว่าเนี่ยทําบุญแล้วจะได้อะไรบ้าง <c oughs> แต่ผลที่ได้ไม่ได้เกิดจากการให้ของพระมันเกิดจากการกระทําของเราแต่เราทิศบุญได้บุญที่เราทํานี่เรา อุทิศได้คนตายได้ไม่ต้องมีน้ำพอทําเสร็จก็อุทิศไปเลยเกวดแห้งไปเลยต้องกวดทันทีมันเพราะตอนนั้นกำลังอิ่มใจสุขใจอยู่ก<ส>็เดี๋ยวไปทําอะไรแล้วเดี๋ยวมันหายไป<ส>นะเข้าใจนะ<ส>โอเคก็พ<ส>อสมควรกาเวลาขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ยด้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ<ส>